หลวงพ่อเคยไปแถวหน้าแก่แถวนครพนมวัดหลวงปูซีล่าถามค่าวข่าวหลวงปูซีล่าเนี่ยเป็นสมัยหลวงพ่อเป็นเล่นหน่อยเป็นเล่นของหลวงปู่หลาอาจารย์ซีล่าเนี่เป็นคู่บาบวชพร้อมกันมากับหลวงพอ่อหลวงพ่อบวชเป็นเน้นปี2 0 0 0ัน้ ลูกหลานบางคนเนี่ยังพระท่านเกิดมั้งเนี่ยหลวงพอบวชแต่สองพันหายเด้ลูกหลานเน้ยเป็นเน้นเน้นสองพันหาแล้วกหลวงปู่ศิลาก็เป็นพระสองพันหาด้วยกันบ้านเอพนมายูธรรมพระบ้านนาโศกบ้านนาโศกอำเภอนาแกแคนครพนมเป็นหมอล่ำเก่าได้หลวงปู่ศิลาเนี่ ย, ปน เ, นยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลาโอ้เทเกเก่งแต่แทวไปกูบากูบาของหลวงพ่อเนี่เทศกเก่งเลย อาจารย์บุญมีอาจารย์ศิลานะ่ะรุ่นพี่ลงพออาจารย์ศิลาเนะ่ยเป็นหมอลำหมอลำเป็นคนเกตอำเภอพนมไพรจังบัตรร้อยเอ็ดเอาโลกหลานท่างไกลมากอ่ดวลงพอจะบอกยังให้ฟังสะกอนนะลูกหลานนะนั่นๆพวกเขาจะได้มาพบมาเจอกันปีหนึ่งกับมีครั้งหนึ่งนะเมื่อ หลวงพอบอกยังเรียบร้อยแล้วให้สินให้พรแล้วก็คู่บาพคนมีหนังสือแจกไ้มี m อ3พสพร้อมแต่ว่า m p ็มพสนหลวงพ่อก็คิดขึ้นกันมันจะมีผู้ฟังมันจะมีเครื่องฟังวะหลูกหลานบางคนนะมาท้าเอา m p ็มพสหลวงพ่อไปแล้วไปทิมทิมทิ ม, ทมคว่างว่างเนะพราะปัญหาได้วีมัท่าจะแทนหลวงพอว่อนะพวกเขาเคยเห็นบัญ า, าได้ี พอไดไปแล้วจักสีวีอยังบ่มีผมวนออกไปอันนี้คือกันนะไดเอ็มพสมไปแล้วจักสิแงเข้าใจจักสีสอดไปใส่วนออไปมันบ่มีดาวสีฟังนะ่งเนยรถกับบ่มีน้าเขานไะงกันปูมีรถอย่างไข้เนะี่ไปใส่กันสอดเข้าไปในรถเนะี่ยเขฟั่งไปเอ็มพสามลงพอนะี่นะแผ่นหนึ่งเนะี่ยฟั่งจากเมืองอุดรมอดกรุงเทพฟั่งจากกรุงเทพมาหอดอุดอรคอยหมดแผ่นหนึ่งเลยเออ สรุปเลยคือแผ่นหนึ่งมีอยู่13ชั่วโมงแผ่นแต่ละแผ่น13ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่ละแผน่นว่า น, นเนื้อเหืืองหาสาระธรรมะยในหันมากไมก้หาฟังห น, นักบวมเป็นบวมเนโคษรจเจ้าของเให้ลูกหลานฟังบังหลดกันออไปหลวงพ่อเนี่าแนวแมวมากหลากหลายสมัยหลวงพ่อเป็นแน่นหน่อย อยู่กัหลงปูหล่ายอย่างที่หลวงพ่อวเมื่อกี้นะ่ะหลวงพ่อเป็นแน่นหน่อยหลวงปูหล่าอายุส1ปีเด็ผู้เจ้ากอกพวกเขา็คงจะเคยเป็นลูกลูกหลานกระเลนลูกหลานเอออาเภิหน้าแก่แถวนั้นอะ่ะเออหลวงพ่อเนี่ยเป็นเน่นหน่อยของหลวงปูหล่าบวชปีสองพนหาร่แล้วก็อยู่กันหลงปูหล่าเออสมัยจบปซีออกมาก อยู่บันแวงอะ น, น่ะโรงพยาบาลหลวงพ่ออยู่บันแวงตีนผู้จกนะพ่อจบออกมาพ่อแม่ก็อยากใครบวชเออบวชซะลูกก็อยากได้บุญนูะนฉันหลวงพ่อก็อยากได้บุญนูวนเอาไปมุนจักเป็นตัวจะไหนกระพูหูเอาไปแต่พอพ่อแม่ว่าอยากได้บุญเอาอยากได้บุญนํ้ำจบแล้วก็เขินอยู่วัดกับหลวปูหลวงปู่หลาเพิ่นก็นสมัยนะั้นหลวงปู่หลาเพ่งสิบเ็ดพรรษาเนะี่ยลูกหลานเะนีอยบวชมาสิบเอ็อดปี อย่างว่ามาคิดๆบังคับมือเด็พวกน้องๆนงๆ น, งๆนั่งอยู่ทั้งข่างหลวงพ่อนี่ล้วนแล้วจะยี่ส4บสาสิบสี่สิบพันษาเลยวมม่าเป็นพระน่อยเลยเบิงขึ้นตัวบ น, นหน่อยแต่ของหลวงพ่อเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็เถอะน ะ, ะดน 48, เ, นดเดือเนยมันสี่สิแปดพันษาเลยหลวงพ่อบวชมาสี่สิบแปดปีเลยลูกหลานเลยแล้วก็บวกแปดอีกบวชที่บวชเป็นแน่นอยู่แปดปีบวกแปดเขาไปอีกสี่สิบแปดบวกแปดเท่าไหรเบิงจะเป็นเท่าไรบานนี้ หาสิบกว่าปีที่หลวงพ่อฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเนะี่ยเพราะนั้นหลวงพ่อบวชแต่อายุสิบอปีเบวชอยู่วัดผู้เจากาะมุกดาหารนะที่แรกกับพ่อแม่ก็ขึ้นไปมอบให้หลวงปู่หลวงปู่ก็มพี่หลวงปู่อยู่สองอ ง, องค์อยู่น้ำกันกันขึ้นไปก็ขึ้นไปช่วงเดือนเดือนหาเดือน6กเนะี่ยพ่อสอบว่าได้แล้วครับเพิ่นกับขึ้นไปมอบให้ หลวงปู่หลวงพอ่อขึ้นไปอยู่ไม่ไมก็มือแรกกับมือว่นแปดคำเม็นบวชละแปดคาคนกับหลายเด้ชค้นไปรักษาศีลไปทําความสะอาดปัดกวาดอทําความสะอาดพู้ันไปพอหลวงปู่ไปอยู่ไม่เดือนกุมภาพันธ์เดือนสามปะเด็หลวงพ่อกับมาบวชเดือนหาเดือนหกขึ้นไปเป็นเน่นให้เป็นเด็กหน่อยไม่ไม่กับมือแรกกันโอ้คอนก็หลายพอเห็นว่านพระพ่อต่อมาบานี่ มือวันต่อมานบ่บมีคนได้บานเนี้ยมีแต่ลงลงปูหลากับเ่ยพอเท่า น, นั้นหละอยู่รับกานบ้าเนเข้าเป็นเล่นน้อยกัที่แรกกัมือแรกเนี่งแอไข่ไข่กบว่ากระพออยู่ได้อยู่อนไปพอมือที่สองบานเนีเพื่อที่สอง้านเนี่แข้งบ่มีไผ่อีกบานเนี่ ย, ม, ยมิดเย่เลยบานเนียหาหม่องเที่ยวหม่องเห่นก็ บ, บ่บมีย่างโดดก้อนหินก้อนน่ะก้อนหินก้อนนี้ เอาไปมากปัดมองชี้ไปบาทเนี่ยของเพิินเพื่อนก็ น, นั่งพาวาน่าเพื่นเพื่นเนี่ยเขาในห้องเงียบเพื่อนก็นั่งภาวาน่าออกจากนั่งพาวน่าเพื่อนก็มาเดินยกกลมของเพิินเน่ะเฮาเป็นังไงเหตุยัไยยงไงวะโดดก้อนหินก้อนหนึ่งโดดก้อนหินก้อนนี่งเอาไปมากกับมือที่สามของวะคือถอดบ้านเฉลี่ยเอาบาทเนี่ยคือถอดบ้านมนะือมีหมองเล็ดหมองเที่ยวเนยคาดหอดมือที่สีเท่านั้นแหละบาทโอ๊ย ล่องไห้ไล่วาเดียวนะไปเออขนาดเป็นเด็กน้อยล่องไห้ขื่นไปหาพนยังดีอยู่เนี่ยังดีอยู่บังคืนปังย่อนหลังบังลงพลอนี่ยยังดีอยู่เลยเป็นเด็กน้อยคล้ายๆกับว่าข้าแม่ปูยังได้เจเิญเห้วยบ่ล่าเลยลงปูนะไปเปิดเขาบ้านออดหลอดเห้ออันนี้ยังยังเก่งใจพนอยู่เนี่ยยังจะขื่นไปล่าพนจกรวนไปยังไปบอกพนจกรว่าลงปูครับผมคือถอดบ้านครับผมยูนผมคือสิบวทบ่าใดล่ะครับเลย กับร่างสิขึ้นไปเห็นล่องไห้ไปพร้อมมันไปลงปูหลาเห็นเอา้าวไปไหนเอ็นไปซะเนี่้โอ้ยก็ผมคือทอดบ้านครับคือทอดยังอะวะผมคือทอดแม่ครับทั้งที่อายุสิบเอ็ดสิบสองปีเลยเนี่ยคือทอดแม่คือทอดบ้านมันอไปเอ้ยพระคือทอดอยังอะเอา้าเนี่ยส ม, มัเด่นส ม, มัยก่อนน่ะในคางพระพุทธเจ้าเนะ่สมมะสมัเด่นล่าหุ่นน่ะอายุเจ็ดปีเท่านั้นเด้ พนภาวนาได้สำเร็จเป็นพระอรหันน่ะอันนี้เข้าอายุสนนิ1เอ็ดสิปีแล้วเนี่ยเอา้าต้องโซเดี๋ยวเขาจะให้หนังสือเอาเอาไปทองไปหมอต้องคิดทอดล็อกนี่ขึ้นมาบนอยู่ภูเขาเนี่ยค่ะเลียวเห็นอยู่เนี่านหลังเฮื่อนบานแว้งย่วนอ่ะจะไปคือทอดถ้ายังอ่ะหมอตองคืดภาวนาพูดท่อนะเดินยังกรมหนะ้า หลวงปู่กัสอนละบ่เนี่เอา้าเอาหนังสือนะี่ไปทองก้อนมเมื่อนี่หลวงปู่ก็ไให้หนังสือมานวโกวัตมาเหล็มหนึ่ง ว, วันออกไปนเพิ่นก็สอนวิธีบอกสอนวิธีให้ทองเมงใอไหร่เพิ่นให้ทองเสกขียวัตรเ ด, ด็เอ้เสขียวัตรวันไปเสกขียวัตรถึงคือเป็นวิเน่ยของพระเป็นวิเนัยของสมณเน้นที่จะต้องใช้คือสินของพระเนะี่มีสองร้อยยี่สิบเจ็ดขออาสองยี่สิบเ็ดข้อ แต่ว่าเสขียวัตรนี่มีอยู่เจ็ดสิบห้าขอพวกปูให้ทองทองเรื่องมารยาาดฟันไปเหลืองมารยาดของภิกษุสัมบเนนเดี๋ยวสินของพระคือกันสินว่าศินพระปฏิโมกข์ินสองยี่สิบเจ็ดข้อมาในพระปฏิโมกเรียกว่าเสขียวัตรเพริโนหอยเพื่อกะบอกเให้ทองแบบนี้แบบนี้เนอะนี่แหะให้ทองให้ทองบางหน้าเข้าก็ได้มากเลยเข้าก็อ่านอ่านมา อ้าวรพยังจำได้กระทางครูมือนี่เด็เพิ่นเอาไหนะ้เสกิยวัตรวัดที่สัมมนเดนจะต้องศึกษากันว่าเป็นพระเป็นวะพระภิกษุจะต้องศึกษาเข้าไปอันไหน่เาเศกิยวัตรวัดที่สัมมเดนจะต้องศึกษาเรียกเศกียวัตรเสกียวัตรจัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโภชนะปฏิสังยุต์หมวดที่สมเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตหมวดที่สี่เรียกว่าปกิ น, นั ก, กะสารูปที่หนึ่งมียี่สิบ หนสองสามเณรเพิ่งทําความศึกษาว่าเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยส4 ส, ส, ส, ส, สี่สามเณรเพิ่งศึกษาว่าเราจะปิดกายด้วยดีไปนั่งในบ้านตั้งไปทั้งนั่งในบ้านห้าหกสัมเณรเพิ่งทําความศึกษาว่าเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านนี่แหละอันนี้ให้คือให้พนให้ทองวนไปไปนั่งไปก็คือเดินนั่งก็คือไปนั่งในบ้านเราจะมีตาทอดลง บ่แ ม, ม่จะไปนั่งในบ้านก็เท่าเลยทเทเลี้ยวขึ้นคือขึ้นค้างของขื่นฟ้าก่อนกันไปในบ้านคือกันเดินไปในบ้านกันว่าในเ บ, บงตีนเจ้าของเบงปุ่นเบิงคูเบงข้นเบิดอยู่ทั้งฟ้าก่นบ่ไรผิดฝีในนอกมิตรตาสํารวมเรามีตาสําร่วมไปทั้งไปพร้อมทั้งนั่งในบ้านเออแล้วก็เราจะไม่เวิรกผ้าไปนั่งในบ้าน เ, เราจะไม่พูดเสียงดังไปนั่งในบ้านเอเราจะไม่ เราจะไม่นั่งนั่งรัดเข่าในบ้านเราจะไม่เอาผ้าคลุมศรีรษะไปนั่งในบ้านผ้าคลุมศรีรษะกับวันเดียดพ่านะสามเณรเพิ่งทําความศึกษาว่าเราจะรับบินทบาทโดยขอรพเมื่อรับบินทบาทเราจะแครดูแต่ในบาทเราจะฉันอาหารพอสมควรแก่เข้าสุกเราจะไม่ฉันดังจับจับจับจับเือขึ้นฉันเข้าไปแล้วเกี่ยวดังจับจับ เราจกไม่ฉันดังสูด้ดเราจกไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเมื่อคำข้าวอยู่ในปากเราจกไม่พูดอันนี้นคือหลวงปู่หลาเพิ่นให้เพิ่นให้หลวงพ่อเลียนมันไปจากนั้นกระถั่งเทศสนาปฏิสังยุทเนี่ยเราจะแสดงรรมแก่คนจังไหอ่อ ว่าเขาบอกเขารบอย่าไปแสดงถ้ำเด้ขั้นแสดงถ้มพูดอะไรนั่ให้เขาปารั๊บอวบแก่ปูแสดงเขานั่งอยู่สูงเขานั่งอยู่ต่ําบกควรพูดธรรมะให้เขาฟังเขาเดินไปทางหนา้าเขาเดินดไปทางหลังบอกครจะพูดให้เขาฟังเขานั่งอยู่บนอาสนะเขานั่งที่ต่ำกว่าอย่าไปพูดอย่าไปแสดงธรรมะให้เขาฟัง <S <S เมื่อเขามีสัตราอาวุธนิ่อยู่ในมืออย่าไปแสดงถ้ำให้เขาฟังอันนี้คือพระพิณในพระสงฆ์ จากนั้นเพื่อนก็สอนอีกว่าปกิณกะที่สี่มีสามเราจะไม่อุจจาะทายอุจจาะทายปัสสวะบ้วนเคละคือม้วนน้าําไหลลงในของเขียวลงในหยาเราจะไม่ทายอุจจาะปัสสวะบ้วนเคละลงในน้ํานี่อันนี้แหละคือวินัยที่ลงปูหลา่าเพิ่นให้ลงพอทองลงพอกระทองเอาทองเอาโอยเจดสิพา ค, นคอนข้นคือทอดบานแน่นอนเป็นเด็กหน่อยสองหมื่นเถอะนะจบไปกันเอาไป ทอสองหมื่นจบเจ็ดสบห้ขอไปเอาไปเกินไปทองให้เพื่อนฟังพร้อมได้ป่านไลเออต่อมากันเลยเศร้าคือทอดบ้านขึ้นมาแด้เพราะเหตุไดเพราะว่าทองทองเสียกิจวัตรไลยมันมีอก็อมีโอกาสที่จะมันมันมีโอกาสมัมีเวลาว่างว่างจนเกินไปมันก็คือทอดบ้านเมนวละ่ะอันนี้เพื่อนลุงปูเอาหนังจือธรรมะให้ฟังนั่นแ่ละหลวงพ่อนี่ยลูกหลานทั้งหลายเนี่ยขั้นผู้ใดขอม่าบวชเป็นเด็กหน่อยเป็นแน่นและเป็นไพก็ตาม ว่างๆเนี่ยเอาเสียขี้วัรคือกฎระเบียบเรื่องวิในใัยให้ลูกหลานได้ทองท่องให้ขึ้นใจเลยในต่อไปไมันจะได้ใส่ประโยชน์ตลอดไปเลยทถนี้พ่อเป็นผู้ใหญ่ึ้นมาเนี่กันนี่ยแะทุกวันเนียหลวงพ่อยังใส่เป็นวินัยพ่อชั้นจังขันเซบเราจะไม่สั้นโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาตหรือในที่นั้นๆแต่หลวงพ่อเนี่ยพ่อชั้นจังขันเซฟนะ เ, เก็บมัดเอาผ้าเช็เดเตียบรล่อยมัด พระในวัดของโรงพลวยกันพอลูกขึ้นมาองคได้ถิ่มมะลากสากักใสเกินไปมดบอ่อใดพ่อลูกขึ้นมากก่อนที่จะลุกต้องเช็ดทําความสะอาดที่นางของเจ้าของให้เรียบร้อยอันนี้คือพบวินัยเพราะนั่นพระไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาปัดกวาดทาความสะอาดสราอีกกไ็ได้เพราะเห้ไใดเพราะองคได้รับผิดชอบของไฟของมัน่นก่อนที่จะลุกขึ้นมากไม่ต้องได้เช็ดนหนับต้องทําความสะอาดเก็บเรียบร้อยหมดเลยพ่อหมออเมืองก็กเรียบร้อย เพราะเหตุใดเพราะว่าพอพินัยเพิ่นมีอยู่ใดเลยนี่แหละอันนี้คือการอยู่กับหลวงปู่หลาเป็นขั้งแรกแตีเป็นสมณะแนนหลวงปู่สอนมัดบาทนี่เพราะท่านหลวงพ่อได้นํามถ้ำค า, า, าสอนของหลวงปู่หลาผู้จาะ ก, กอ์มาบอกกล่าวให้แกคณะจัตุแหย่ที่อมลูกหลานฟั่งบนันหลวงปู่หลาเนี่ยเพิ่นสอนมัดเลยสอนว่านี่นะเ อ, เอ็นนะอหวว่าเข้าสีนอนะเข้าจะเป็นนอน บกกาปวายพาระบไดาเด้เข้าอยู่ในผู้ในผาอามีลูกพระผู้มเทวดาที่เข้ามอกบวเห็นมีอยู่เอแถวนี้ละ่ะอยู่ในผู้ผาป่าไม้นี่ละ่ะเพราะนั้นเข้าก่อนเข้านอนเข้าต้องไวายพระตะก่อนนะเนอะเขาหลวงพ่อก็นอนอยู่ข่พางพระพุทธรูปใหญ่ในถ้ำผู้จากรค น, นเดียวเด้เ อ, อกเงียวพอเนึ่ยนะก็ขึ้นไปพักนอนแถวข้างกลางหลวงปูหลาก็อยู่งช่างทึ่งกว่าน่ะโอ้ยเอนี่ยว่าเก่งเติบอยู่ ปองปนึกย้อนหลังอยู่ในผู้ปา น, นั่นไงแต่ตะกอนมีเสืออีกต่างหากผู้เจออ้าก่อมาดันหลวงพ่อก็ะคืนหลวปูหลากระสอนกอที่นอนให้ไหวพระกอเ น, นอะไหวไปทั้งหวัวหัวหมอนหมองนอนพปะละคือเขาหมอนอยู่ทั้งใดเข้ากันนางคุกเข่าตะกอนนะเป็นนางาพับเพียบไหวพระนางคุกเข่าแสดงกราบด้วยเป็นจางข้ประดิษฐ์เป็นจางข้ประดิษฐ์นึ่คือยัง้งหลวงปูหลากระสอนเลย เข่าสองเข่าสองแล้วก็ศอกกับฟ้ามือแล้วก็นาผากหนึ่งเนี่ยแหละกาบด้วยองค์ห้าขาในใยากออกมาประมาณสักเกือบศอกหนึ่งเวลาเขานางคูกเข่าแล้วแล้วก็ศอกให้ยูต่อกับหัวเขา่าแล้วก็ให้มือห่างกันแล้วก็หัวกาบลงไปในระหว่างฟ้ามือทั้งสองขาง ให้หัวจอดพื้นนี่อันนี้แหละกาบด้วยเป็นจางขัประดิษฐ์กาบโดยองค์หาทองเฮ็ดจังซี่นี่แหละลงปูหลาคนสอนเลยกาบข้างที่้วไม่ใช่ว่ากราบสามขั้งซื้อโบแมนเด้กาบเทือที่้วว่ากาบพุทโธกราบถึงพระพุทธเจ้าเอาบอลเป็นกาบฉนุกสนานซื้อกราบคข้างที่้วพุทโธกราบเทือที่สองธรรมโมกกราบพระธรรมขั้มสอนของพระพุทธเจ้ากราบข้างที่สามว่าสังโ c กราบถึงพระสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อกาพุทธโธ ท, ทมโมสังโคและปะนมเมือ่อขึ้นละวางอกว่านิพพานัง้าพระเจ้ากาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์หวังพระนิพพานบริกรรมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกราบเล่นเปลนมันออกไปกาเพื่อหวังพระนิพพานให้คดจังซีเนออหลงปูหล่าคนสอนนะจากนั้นกับอาลาหังเละอาลาหัง สัมมาสัสมพุโทโธภควาพุธทธังภควันตังอภิวาทเทมิคือกาบอภิวาตพระพุทธเจ้าและก็สวาขาโตภควาตตามโมธรรมังนามัสามิอภิวาตต่อพระธรรมสุปฏิปนโนภควาโตสา ว, วกสังโคสังฆนามามิครับเจ้าขอนอบนอมอภิวาตต่อประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าจากนั่นก็ ว, านนากว่านโมกนโมตัสสะภควาโตอรหัโตสัมมาสัสมพุทธะ ความแปลและความหมายบักคาพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอราหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามเถอจากนาพุทธังสรนางคาฉามิข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึง่ทงทำมังสังขังสรนางคาฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึง่งดูติยามติข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สอง ตาติยมปีพุทธังธรรมังสังขังข erm ma. ้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงเป็นขั้งที่สามเอ่อคานว่าเข้าสิได้อิติปิโสปักขวาอรหังสัมมาสัมพุโธไปอีกก็ได้เลยวจกาย่เยาวจายวเจศสัตวว่าต่อไปอีกก็ได้ข้าไปเจ้าได้ประมาทพลาดพังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์อโหสิโปรดเมตตาอโหสิให้ใคร แก้ขาพรเจ้าด้วยเถิดไอ้่ข่ก็าบางที่เราอาจจะลูดเท่าไม่ถึงการเราอาจจะได้ประมาทพลาดพังแล้วเราอาจจะเดินกายใกล้กายพระพุทธโลกด้วยขาดความเคารพจังสิขาดความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปรดโหสิให้แก้ขาพระเจ้าด้วยจานาเกเฮแผ่เมตตาลงปูหลาพันสอนให้แผ่เมตตาอ่า พอเพเมตตาเป็นว่าอาหารสุขิโตโหมินิทุโขโฮมิฮมอเวโรโฮมิถ้าหากว่าบอา่อใดแอบ่อใดเป็นภาษาบาลีให้เว่าเป็นภาษาใจของเจ้าของเนอะให้นึกให้น้อมนึกในใจว่าข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขคาไปเจ้าต้องการความสุขจังไดผู้อื่นสัตว์อื่นวิ่นย่านอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้า ต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายก็จงเป็นสุขข้าพเจ้าก็จงเป็นสุขให้มีในใจจังสัน้นเวลาวายผัคนที่มีเมตตาในจิตในใจหลับและตื่นเป็นสุขฝันก็บวฝันให้คันคนมีเมตตากันคนแพ้เมตตามีในเมตตาในใจไปในสถานที่ใดอย่าเป็นพิษเป็นไพ่ขนาดใดก็ตามถ้าว่าคนมีเมตตาอยู่แล้วเออ คานว่าเว้นกําเว้นที่จองขืนมะไมเขาผูกพยาบาทอาฆาตจองขืนมะไมเนี่ยมันจิตจองบอถือพราะเฮาเหมือนเ ข, เขาตบมือขางเดียวจังจะละคานว่าเฮาบอมีเมตตาเนี่ยเหมือนกับเฮาเราตบมือมาเฮาก็ะตบมือไปใส่เขามันกระดังเป๊ะเพราะเหตุใดเพราะมีการอาฆาตพยาบาทจองเว้นซึงกันละกันพอยนั่นให้มีเมตตาในจิตในใจเนะ้อไปอยู่ทั้สถานที่ใด เวลาศีลับศีนอนหรือตื่นนอนแย้มมือสอบให้ไหวพระสัก่อนแล้วก็แพรเมตตาจังสิละเป็นภาษาใจของเฮ้าเนี่ละ่ะนะเคนสอนจากนั่งให้นั่งภาวนาเนาะบานนี้ให้นั่งภาวนานั่งจังไรเวลาเฮ้าไหว้พระเซ็ตเรียบร้อยแล้วเท่าก็ปั่นมแล้วก็นั่งหันไปทางหมอนไปละเอี่ยพระตองมีพระพุทธรูปพรมี่หยางรอกพรต้องตั้งพระพุทธรูปพระพุทธรพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเฮ้าอยู่แล้ว พราะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเฮาเข้านอมดึกย่อใส่กันนั่นแหะพราะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยั่หันละและมีความเมตตายอยู่ในจิตในใจของเฮาเฮามีเมตตาย่อใสความลมเย็นเป็นสุขก็ยั่หันล่ะอย่าไปเบียดเบีนยนจะไปผูกอาฆาตพยาบาทไผ่ไผ่ทั้งหมดนะการผูกอาฆาตพยาบาทจองเว้นต่อการมันบ่เป็นผลตีอันนี้หลวงปู่เป็นสอนจากนั้นไงเสร็จแล้วไง กร า, าบพุทโธธรมโมสังโฆนิพพานังไงจากนั่งก็ น, นั่งคัดสมาธิก่อนนี่นั่งสมาธิน่ยเบิงพระประธานเนีอเบิงพระเนี่ยเ บ, บิงพระพุทโธปุ่นขาขวาทับขาซ้ายเวลานาั่งนั่งหันหน้าไปทั้งมอด น, นะจากนั่นก็ปัณนมเมื่อขึ้นก่อนเนะ้อเวลานั่งเรียบร้อยแล้วนั่งเรียบร้อยก็นั่งปัณนมเมื่อขึ้นระหว่างอกปัณโนมุ่งเมื่อขึ้นวางอกไหวครู่สัก่อน ทู่คืออย่างคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วาขึ้นในระหว่างอดพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบคือวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สัก่อนสามจบจากนั้นเอามือร่องบัดเอามือร่งในระหว่างตักมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็แผ่เมตตาอีกสักรอบนึงก็ได้แผ่เมตตาว่า ข้าพ เ, เจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไ ต, ตรโลกธาตุตลอดถึงเทพเจ้าเหล่าเทวาทุกแห่งหนก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพ เ, เจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจปป้าปรารถนาทุกๆท่านทุกๆวิญญาณด้วยเทอญจากนั้นกับบริกรรมระบาดหายใจเข่าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธหายใจเข่าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโธ โทษโทอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งเนะ่ให้ยุ่แบบสบายๆให้กําหนดที่ล่มหายใจเขา่าหายใจออกใจบอให้คิดผิดในอดีตใจบอให้คิดเป็นในอนาคตว่าต้องให้คิดถึงไผ่ท้งหมดในขณะที่นั่งภาวนาให้ยุ่กับที่ปลายจมูกถ้าว่าจะเปรียบเทียบก็คือกันกับเข้ายือนอยุ่ข่างประตูทั้งสั่นละข่างประตูค้นมากเข้าของหัวค้นเ ข, ข่ามาก่านเข้าไป คอนออกไปเข่ากระหูว่าค้นออกไปเขาบะต้ อ, อ <illnesses alike. S 1> <า>งเดินตามค้คนออกไปและกระปต้องเดินตามค้นออามาให้ยืนอยู่ข่างว่าค้นเข่าคนออกเท่านั้นล่ะอันนี้คือกันเวลานางภาวน่าให้ยุตสติสติของเข้าอยู่ที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข่ากระต้องตามล้มเข่าไปถึงท้องเวลาหายใจออกมากระปต้องตามล้มออกไปให้ยืนอยู่ข่างว่าหูแต่ว่าล้มเข่าและล้มออก หายใจเข่าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโธพุทธโธพุทโทว่ต้องเก่งบ่ต้องเก่งเนาะอันนี้แหะคือวิธีการพวนาหรือจะบริกรรมเกิดดับหายใจเข่าเกิดหายใจออกดับจังสันก็ได้มันเป็นการคำว่าเกิดคําะไรก็คือเป็นอันนี้จังดับก็คืออันนี้จังเกิดดับก็คือเกิดตายเกิดตายเกิดตาย คนเท่ามันไม่อยู่ล่มหายเขา่าหายใจเขา่าหายใจออกเท่านั้นแหะหายใจเขา่าแล้ยวบ่อออกตายหายใจออกล่มบอกรับเข่าขึ้นมาอีกตายนี่แหละความตายของคนบได้อยู่ไก่นะอยู่ในปลายจมูกขน่ะหมองล่มเข่าล่มออกขนาดนี่แหละให้พาวน่าเนอะเอาเอาจังซีละ่ะเห็นนั่งเห็นนั่นนั่นเท่าที่จะนา่นได้จนพุ่นจนเหลืออดพุด่นละนะอันนี้คือลงปูผนสอน พอซอนเลยเวลาออกจากสมาธิเน่ะพ่อนังพ่อแห้งระบาดเนี่ย พ, ออพอมมอ่อระบาดเนี่ยพ่อสมข่วนระบาดเนี่ยกับปนมเมื่อเกิดระวังอกกรัะพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั่งไก่แพเมตตาบาดนี้ยพ่นวะพ่อออกจากบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญสมาธิในครั้งนี้ขอให้พินเครื่องเกื้อกูลนุน ข้าไปเจ้าให้พ้นจากทุกในวัฏสงสารและเกลือกุลหนุนพ่อแม่พี่น้องปุญญาตายายว่องสาขาญาติญาติมิตรสายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้ได้รับความสุขพ้นทุกออย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาทุกๆท่ทานทุกๆวิญญาณ well โดยเธอยังคอยออกจากสมาธินี่แหละเวลาออกจากมรสมาธิกับพนมมื้อสก้อนอะจากนั้นค่อยออกยังคอยพักพรแต่วิธีเดินยังกรมเดินจังได ไปที่เดินจุงกลมหนะ้าอันนี้เฮ้าก็บนี่แหละทางนี่มันเรียบๆนขนาดนี้ละเขากำหนดเส้นทางสะกก้อนแล้วก็เขาก็เดินบังตำรวจบางก่อนมันมีหมดบอ่อขันมันมีหมดขามทางเข า, าก็เอากิ่งไหม้หรือเอาใบไหม้เอ่ยมาผาดไปบังขันซะเพื่อว่ให้มันเหยียบหมดเดียบปวกพอเช็ดแล้วเขาก็ไปยืนอยู่ค่างสนค่างไดค่างนึ่งสี่สุดทางเดินจุงกลมค่างไดคัางนึงแล้วก็ปะน้มมืดสักก้อนเนาะ ปนโนมเมื่อเกิดราวอ่างอกซะกอนไหวคู่สะกอนไหวพระพุทธเจ้าพระร้ำสูงปนโนมมือเกินเรียบร้อยเลยกัพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสมจบจากนั้นกับแผ่เมตตาสะกอนก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นทุกผู้อื่นจงเป็นทุกทุกท่วนนากันเธอจากนั้นก็บขาขวาพุทธขาทรายโทขาขวาพุทธขาทรายโธพุทโทพุทโทพุทโท จะเลี้ยวไปทั้งไหนาทาั้งเลี้ยวใดก็เลี้ยวทั้งประทักษิณเลี้ยวขวากรสุแทนแต่เข้าฐานัดถือทิเลี้ยวซ้ายก็ได้แต่ว่าตามไม่จริงเลี้ยวขวาเนี่ยถูกต้องกว่าทั้งยองกุ้มสิเดินเหย้าปันไดพลว่าขั้นเดินขั้นเดินสั่นหลมันเวียนหัวตังยางหน่อยต้อง29ขึ้นไปเดินไหวบ่อย่าไปเดินไหวหลายอย่าไปเดินสะเดินคือเข้ายางบินทบทัดยิงเข้ายางธรรมดานี่ยแะ าการเดินเป็นการเปลียนเอลิยาบด์โมเมนเท่า เ, เดินอย่างอื่นโมแมนสินยกขึ้นมากยกก้าวยกก้าวนี่ยอย่างเพิ่นเตือนนี่ยใช้หลงปูหมันเท่าเนี่ยอันนี้คือวิธีการสายหลงปูหมันเท่าเนอหลงปูหมันเพิ่นสอนจังสิมื่นเอารถไว้บองไดเวลาเดินจงกลมอย่าไปเอามือกอดอกเด้อขั้นว่าเอามือกอดอกนึ o ่ K คือคนเจ้าทุกคือคนมีทุกในใจเออมันโมแมนบ์โมเมนตเรื่องสัมณะ ขั้นเอามือควายหลังอย่าไปเอามือควายหลังเนอะขั้นเอามือควายหลังเน่ยเพิานว่าเป็นทานนักเลงขาดความขรุขระเหมือนกับทานนักเลงเอามือควายหลังคันยางเอามือแกว้งไปทั้งสองขางอย่าเอามือแกว้งไปทั้งสองขางเนออันนี้ก็คือโบจัดแยงความขรุขระให้เอามือเอามือพาดเขาได้ระวางทองหน่อยอันนี้แหะคือเป็นขนาดปางพระลํำพึ่งพระลําพึ่งคือพระลําพึ่งใครก็ว่าพระคิดต้นไป พระยืนคิดพระปางล้ำพึ่งนี่แหละให้เอามืองใส่ระวงังในระวางอกในระวังทองหน่อยนี่แหละวิธีการเดินยังกรมจากนั้นขาพุดธขาขวาพุดธขาใตโท่พุดโท่พุดโท่เดินานานไปไหนเอาจนเมย์ว่าจะไปทรงจิตทรงใจออกไปข้างนอกเดินยังกรมหนึ่งรับตาบอจะไปรับตาเนอะขันรับตาบั่งที่เข้ายางไปไปเหยียบงูเหยียบขี้เข็บเหยียบแมงห ง, ง, งดเหยียบหมดเหยียบปวกก็ได้มืนตาบอกไปยัง แต่ว่าใจของเฮาไปอยู่ในใจของเฮาอยู่แล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยล่ะเนี่หละอันนี้เดินโยกรมเดินให้หน้านนะ่าเนอะเท่าที่จะนานได้เนี่ยล่ะเวลาแจ้หมาขึ้นเด้วแจ้งมาแร้งทาเดินเมื่อไหล่คือพระวายพระพระว่ายพระอะไรกม า, า, ากนณางภรวนาตออันนี้คือการเดินแจ้มาแล้งแล้วก็ยังคอยพักพรนี่ล่ะพวกคณะรัท่าญาติโยมลูกหลานทุกคนที่มานางฟังที่ลุงพออธิบายให้ฟังอันนี้คือวิธี หลวงปู่หล่าสอนเน้นหน่อยสอนเด็กเนี่น้สมัยหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่หล่าเพิ่นสอนจังสี่ได้พอให้นั้นพวกเข้านําไปประพฤติปฏิบัติก็ได้อันนี้ก็คือวิธีการสอนของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาของเขานี่สอนกรรมฐานให้แกลูกศิษย์ของเพิ่นเพิ่นบอกให้มดได้บวาลวงปู่ขาวบวรวงปู่ฝันบวรวงลวงตาบวาลวงปู่หล่าเพิ่นที่สอนให้ภาวนาพุทโธเนอลูกหลานเนอ กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท้อคณาหลวงพอบอธิบายให้ละเอียดนะให้ภาวนาเนอะจกักเหตเห็ุอย่างไรภาวนาพุทโท้อเลยพุทธทจัแบบเลยแต่พวกเขาได้กินมือนีินะในยินมือนีินะนนนที่หลวงพ่อเลี้ยงลําดับให้ฟังเนะี่ยพวกลูกหลานเขาคงจะปฏิบัติได้เออวิธีการภาวนาปฏิบัติเนี่ยที่หลวงพ่ออิ่นเพิ่นได้สอนออจังสัน้นเฮ้าก็นําไปปฏิบัติได้บัดนี้เฮ้าก็นนั่นแหละ หายใจเข่าพุทธหายใจออกโทษบริกรรมภาวนาพุทโธพุทธโธไปแล้วพุทธโธละได้จังไหว่บานเนี่เพิ่นก็สอนอีกอันนี้คือสมัตธรเนอลูกหลานเนอะพิธีเดินมัก็คือสมัตรรแต่วิธีเดินวิปัสสนาอีกแนวหนึ่งอีกเน้อะคอยศึกษาคือเดินวิปัสสนานี่เวลาเข้านั่งภาวนาจิตใจเข้าเข่าสู่ความสงบจิตใจของหอบร่วมเป็นหนึ่ง จิตใจบ่ปุ๋งบอ่อฝุ่งบอ่อสานจิตใจของเขารวมแล้วเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้วนําความสงบนั้นามาพิจารณาเดินวิปัสสนาแต่ว่าจทิทําจิตให้สงบเนี่บอแมนสิ้าหน้าพุโทโธพุโทโมสิสงบน้อยบอแมนเด้ยากเติบอยู่เด้แต่ว่าถึงอย่างไรขณามีความพยายามมีความตั้งใจจริงมีความตั้งมั่นในใจเขาพยายามจะทําจิตใจให้สงบบอเหลือวิสัยเด้อ เออต้องจิตใจของเขางสงบขั้นจิตใจของเขาเขาสู้ความสงบแล้วมีความสุขนะหลูกลานนะเนอา่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิลสอนเปิล น, น้ำท้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมา ก, กาวอีกเพิลยำเป็นบาลีนะนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี คันเขามีเงินมีทองมีเงินข้ามท ร, รัพย์สมบัติก็มีความสุขอยู่แต่ก็พรอมที่มันจะจากจะหายแต่ว่าจิตใจเขาสู่ความสงบเนี่โอ้มันดึกมันเย็นเย็นสบายมีความสุขจริงๆแต่นี่เขา้าใจทํามจิตใจให้สงบเนี่ยบางที่พอเขาคิดคดพุทโธพุทโธพุทโธมันทุบมาหายไปใสกระโบหูบางที่ไปผุดพ่อแห้งหมดจนสิออกจากสมาธิหมดปวดแข้งปวดขาเอ้ย ที่ออกสมาธิโอ้กูคิดไปใส่แดเบิ้งมันคิดไปใสกรบโปงหจักพ่อแหงหล่ะให้เบิ้งเน้อบัดเนี้ย่ยอันนี้หลวงพ่อก็เลยบอกคณะศรัทธาญาติโน้มอีกอยากจะหูจัวกว่าใจของเขามันลดไปเวลาใดให้เข้านังภระวนาเอออย่างที่ว่าเนี่ยนะต่ก่อนหายใจเข่าพุทหายใจออกโทษเอาเถอะบัดเนี่ยเปลี่ยนกรรมฐานมองซิหายใจเข่าพุทโทษเนี่ดูสิว่ามันลดได้ง่ายทดลองเบิ้งบัด น, นี่ยคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่ เพิ่นว่างไว้แต่สี่อย่างผมเนี่ยลูกหลานคณะสัจธรรมญาิโงมพระลูกพระหลานนะกรรมฐาน40พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติเออมรณ ะ, ะนุสติอุปสมานุสติอันนี้กรรมฐานสิและก็กสินสิบอีกอยังอีกหกยา่าวิธีการภาวนาของพระพุทธเจ้าเป็นว่างกรรมฐาน40บอย่างให้แกพวกเฮ้า แต่หลวงปูหมันเพิรนบอกว่ากรรมฐานสีสิบเป็นนองอาณาปานสติเนอะอานาปานสติเนี่นาปานา เ, นเป็นกรรมฐานเกือบถูกกับทุกจริตกรรมฐานอานาปานาสติกำนดล่มหายใจเข่าออกนีย่ยเพราะนั้นให้กำหนดล่มหายใจเพราะพุทธเจ้าที่เพิร์นได้ไปตัดจรูดที่โครนตนโพประเทศอินเดียพุทธกายาน่ยตอนหัวคำหรเพิร์นนงางภาวนากำหนดล่มหายใจเข่ารัว่าหายใจเข่า หายใจออกรัวหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มันนั่มาประยุกชัยอีกเอาพุทโทษเขาบาดหายใจเขา่าพูนว่ากำหนดล่มหายใจซื่อๆมันลุดได้ง่ายเออมันหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายบา้านในเอาเอาพุทธโทษเขาอีกหายใจเข่าพุทธหายใจออกโทษพุทโทษพุทโทษเขาพอมนี่ล่ะเอ้ใครพร่อหน้าพุทโทษนนะอ ในเมื่อเขา้าภาวน่าพุทธทูมันยังหลงมันยังลืมให้ให้นับบ่เนี่หลวงพอบอกว่าให้นับนับหายใจเข่าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข่าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าหา้าหายใจออกห อ, อันนี้กรรมฐานเนี่ยพรนบ๊วได้บอกว่ากรรมฐานอย่างเดียวเด้เนีย่ยว่ากรรมฐานสี่สนี่เขาจะประยุกต์นับก็ได้หนึ่งสองสมจนหอดลอยมันเผลอบอกถ้ามันบอกเผลอก็แสดงว่าสติเข้าดีแล้วะเผลอนะ คำนาว่ามันเผอหายใจเข่ามันเป็นเลขขี่จะเป็นหายใจออกมันเป็นเลขคู่ 1, 2 3 4 5 6สอหอคำนาว่ามันจะออกมันสิลดมันจะเบอเบอเบอมันจะลดออกไปหายใจเข่ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขี่บานนีแปลว่าสติของเห่าขาดแล้วในช่วงนั้นเอากลับมาใหม่อกีกตั้งต้นใหม่อกีกให้เข้มแข็งขึ้นก้วกเ นี่แหละวิธีการภาวนานะคณะสัตยท่ายแยินุ่มลูกหลานพระลูกพระลานทุกกล่ทุกคนเนะนี่แหละวิธีการภาวนาให้สิกแซกจากนั้นมาจิตใจของขาอ้าวบวกลุ๋งบกฟุ่งบอด่านออกไปข้างนอกใจของข้าวจะรวมจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเอจิตใจร่วมสงบลงเป็นหนึ่งมีความสุขอย่างที่หลวงพ่อในยกปารีนัติสันติปร่างสุขขังนั่นนะพระพุทธเจ้าเพิินอยู่คนตนพ่อเนี่ยพอจิต ใจพระไถยของเพลนใจของเพลนร่วมสงบลงเป็นหนึ่งเพนลนระลึกชาติโข น, น, น, น, นหลังได้ได้ปานเนี่ว่าปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติโขนหลังได้ไงนี่แหละพระพุทธเจ้าเพลนนางอยู่โค่นตนโพเน่ะพ่อจิตใจพระไถยของเพลนใจของเพลนร่วมสงบลงเป็นหนึ่งเพนลนลำลึกชาติโขนหลังดาาได้พราเกิดญาณธรรมชาตด้โอ้ตายแล้วว่ศูนย์ตัวนี้อาจารย์บอว่าตายแล้วเกิดเนี่ยเฮามาจากไสมานิเพลนกับพระโอมาจากสันสวร์ สัน่นสั่นดุสิตกำลังจะขึ้นไปสั้นอื่นเทวดานเชิญลมาให้มาเกิดมาจากชั้นดุสิตมาเกิดนี่แหละก้อน น, นั้นเป็นพระเวชสั้นดอดกอน น, นั้นไปนอีกเพนกลายไปเลยแหละนี่แหละสรุปแล้วก็คือย่าวเยียดในชีวิตของของแต่ละคนเนี่ยพอว่ายังมือนีมีมือว่านมีบอ อาทิตย์กรมีบอเดือนก่อนมีบอปีกนมีบอเออเข้าเกิดมาสักปีแล้วชาติกรมีบอนั่นแหละมันมีเลยอันนี้ว่าอดีตชาติเนี่ยเนี่ว่าปเุเพเนวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้เอออันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าพลวัตตายแล้วบิดศูนยนะคันว่าเข้าอยากฮู้ให้นางสมาธิเออกำหนดจิตใจของเขา้าให้เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสงบแล้วเขาจะรู้ได้โดยตนเองได้เด็ดปะเนี่ ร่างกายของห้าเนี่ยบางเห็นได้ชัดเด้เห็นได้ชัดแล้วเมื่อจิตใจร่วมสงบล่ะร่างกายของห้านี่คือกันกับรถเนี่ยล่ะใจของห้าคือกันกับคนขับรถวนไปเข้าเกิดวุ่นวุนขับรถกับรถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหะมันบอกมีอะไรเนีอบคณาว่าห้าไปจอดรถไว้นี่ยข้นขับรถกระย่างออกมามันว่ารถมันก็ติดเครื่องก็ติดเครื่องทังสันล่ะแต่ร่างกายของห้าวแต่เกิดมาเนี่ติดเครื่องตลอดเด้บ่เคยดับเครื่องจักเถื่อนวนไปล่มหายใจเขาออกอยู่ตลอด ตั้งแต่ห้าวเกิดมาเนี่รถถึงห้าวเนติดเครื่องอยู่ตลอดแต่โซโฟเฟอร์เนี่เขาออกเขาออกไงย่ำมือขึ้นมันห้าวนอนรับมันก็ออกจากร่างนะเนี่ยบางที่ห้าเผลอพิดเผลอแ พ, อพงอื่นครมันก็ออกจากร่างกายไปอันนี้คือโซฟเฟอร์ออกจากร่างกายขั้นออกรู้หลายกรับว่าเป็นบ้าด้ขั้นจิตใจเผลอจนว่าจมบกหู่จักเขามาหาร่างกายเจ้าของเจ้าของอยูรร่ใสเจ้าของกระโบหูอันนั้นพเพราะว่าบาด้เพราะว่าขาดจิตใจยางมากๆเพราะนั้นเพราะว่าอย่าไปขาดสติจมากนะ ให้โชเฟอร์ให้อยู่ในรถอา่าเว่าปากของเฮ้านี่ยแหละปากขลองเข้าที่ลงพอบอให้ฟังเนีคือแก่หมดลงไปเออรถขนาดมันมีแก่เออขั้นแก่ขันอบอบวบเป็นด่าผุดด่าพียอยู่เลยเขาก็ว่ารถคันนี้บ่มีมารยาดกันพอโชเฟอร์บ่มีมลทียาดบีบแก่อยู่เลยบ่มอบหุ่นจักที่สูงที่ต่ำอันนี้นะคือรถตรงนั้นเหยียบแลนดไปไปเห ย, ย, ยียบขู่เหยียบคนอนีว่นนาการกระทํา ไปขาคูขาค้นไปเห็ดความซัวอันนี้เป็นว่ารถเจาของโซโฟเฟอร์บอมีมารยาดบอกหุจักในการใช้รถนี่แหละพ่อใหนั่นโซโฟเฟอร์เนี่ยต้องได้รับการอบร่มเรบบาทอย่างที่หลวงพอ่ออบรมอบอบร่มโซโฟเฟอร์ที่อบรมจังไดนี่ยแหละหลวงพอ่อที่หลวงปู่ลาพ่นสอนอบรมโซโฟเฟอร์ด้ที่พุ่นสอนเน่นหน่อยให้อบร่มโซโฟเฟอร์ให้โซฟเฟอร์มีมัลยาที่ดี มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศิลธรรมมีจระะิยธรรมที่ดีเฮ็ุจังใดเนี่แหละนี่แหละคืองคาฮาวาเขานางังภาวนาเข้าจะเห็นได้ชัดเลยร่างกายกับใจของเขานีา่เป็นคนละส่วนวันนั้นพระพุทธเจ้าเพลิ น, นังพาวนาเนี่เพนหูจักได้ว่าปุปเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังใดเคือใจของเพลินน่ยเพลินระลึกเออใจตรงนี้มาแต่สมาเกิดเนี่เพลินนึกย้อนหลังตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมาจนว่าหอดชาตินี้ พอมาฮอดชาตินี้ตายแล้วเกิดขึ้นมาแล้วอีกสักหน่อยหนึ่งเพิ่งก็จะถิ่มร่างกายเพิ่นเอกมันวะจะต้องเกิดอกีกจะต้องตายอกีกนี่แหละมาเนี่เพิ่นพ่อถึงเทียงขึ้นมานี่เพิ่นนางภาว่าไนจุตูปะปาตญาณเพิ่นกระเบิงอีกว่าจุตูปะปาตญาณ น, นี่ยคือการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายการเกิดการตายของสัพพตว์ทั้งหลา ย, าาา ย, ลายมาใจมาเกิดนี่ยยังพวกเข้านั่งต้องกัรเนี่ยเป็นลอ ย, อยนั่ง ม่าจะใส่มาเกิดเนี่ยออกจากนี่เท่าจิไปใส่พระพุทธเจ้าเพิ่นเบิงได้บาเนี้เบิงแต่ละดวงวิญญาณออกเบิงผู้อื่นบาเนี้เออทำให้คนเท่าเกิดมาบกคืบกันพู่นึงโง่พุ่นึงฉลาดพู่นหนึ่งรุ่ยพู่นึงจนทั้งที่เกิดมานทำกันนายจะคือกันทั้งหมดตากระบกคือกันหูกระบกคือกันเกิดมาเป็นคนคือกันแต่บกคือกันเป็นอยังมัดบคืบกันพุ่นว่ากรรมจําแนกพุ่นไว้ได้บ่าเนี่ยพุ่นว่ากรรมคือการกระทํา จำแนกให้ทรัพย์สัทธ์ทั้งหลายเป็นไปต่างๆหน้าๆกันถ้าว่าผู้ใดทำกรรมดีกรรมดีจะพาผู้นั้นไปสู่สุคติไปในทางที่ดีถ้าผู้ใดทํากรรมซัวกรรมซัวเขาจะพาคนพว้นั้นไปในทางที่ซัวเผู้นั้นกรรมเท่านั้นน่ะเจนเป็นเครื่องจําแนกสรรพสัตว์ทั้งหลายไปในทางซัวและอทางดีเพราะนั่นพวกเจ้าทั้งหลายพวกเฮาทั้งหลายพวกทันทั้งหลายอย่าทํำความซัวเนยอย่าทําความซัวนะ เพิ่งยกเป็นพระบาลีพื้ขึ้นว่าเนี่ยอกคตังลุกตังเสยโยปัชชาตะปฏิทุกตังความชั่วอย่าทำเฉยเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกกาวพวกเข้าท่านทั้งหลายเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมเพราะนั้นเพิ่นว่ายาถาำ้ำกรรมซัวแต่ว่าถาำ้ำกรรมซัวถ้ำกรรมที่บอดีแล้วพวกเข้าจะไปสู่ความทุกข์นะ นี่แหะอันนี้ก็คือท่ามข้าสอนของพระพุทธเจ้าท่ามข้าสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปูหมันของเข้านับว่าพวกเข้าโชคดีได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปูหมันและก็เพลินหลวงรับดับขันไปลงปูหมันกระดูกของเพลินก็กลายเป็นผัสสะหลวงปูลาก็เป็นพผัสสะครูบาอาจารย์พวกเขานี่พระผู้ใหญ่เทระผู้ใหญ่ล่วงลำรับขันไปกระดูกของเพลินกลายเป็นพผัสสะทั้งมัด แสดงว่าพ่อแม่คูบาอาจารย์ของเขานี่คือพระรหันต์พูดง่ายๆนะพวกเข้าเกิดมาในพบพ่อแม่คูบาอาจารย์สายพระรหันต์เพราะฉะนั้นพวกเข้าปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้ชอบเนอะให้รำลึกถึงคุณงามความดีเนอะและก็พ่ออมการก็ให้ระลึกถึงบุญคุณของพอ่อของแม่พวกเข้าเกิดมาจากสายม่เกิดเป็นลูกของพอ่อของแม่นี่ยเนี่ยเราหลวงพ่อเคยปีนี้หลวงพ่อได้พิมพ์หนังสือแจกกลีมหนึ่งนะระ ว, ว่าพระคุณของบิดามารดา พ่อแม่เป็นบุพภาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุธิดาอันนี้มาหลวงพ่อจีว่าเรื่องประคุณพ่อแม่ให้ฟังขันบพระสงฆ์องค์เจ้าคูบาอาจารย์บวบเนี่ยมีผู้ใดบวบเลอการไปประชุมนักวิชาการต่างๆมิแต่ทำมากค้าค้ายอย่างเซตฐกิจังสันเรษฐกิจังสีกฏไม้จังสันกฏไม้จังสแต่มาหาพระนนั้นหลวงพ่อจวาให้ฟังคูบาอาจารย์จีว่าวให้ฟังบางองค์เพิ่งก็บวบอีกว่าเป็นมาทําไป แต่หลวงพอ่อเฉยๆบอให้ฟังว่าเออลูกหลานเอ้ยเขาเกิดมาจากสอย่าลืมบุญพุ่นของพ่อแม่เนอะในรักของพุทธศาสนะวาวเนอพ่อแม่ เ, เป็นบุพผาอาจารย์เป็นอาจารย์ของคนแรกของบุตรธิดาอาพ่อแม่นี่คือทิศเบื้องนา เ, าเบื้องนาก็คือคือทิศตะวันออกน่ะเข้าเกิดมาเขาเลืมตาขึ้นมาก็เห็นพ่อเห็นแม่เป็นคนแรกน่ะพ่อแม่เป็นผู้สอนเข้าหัวจักสอนเข้าทั้งมัด เอออาบน้ำจังซีเน่ากินเขาใื่ป้อนเขาที่ได้ทายจังซีนะตอนแรกเขาก็บงอู่จักเขาก็ทายแต่เพื่อเด็กน่อยฮะพ่อใหญ่อีกขึ้นมาพ่อแม่ก็สอนใหู้จักทีหูจักท่างหูจักเอินพ่อเอิญแม่หูจักเอินพี่ป่าน้าอาหูจักนุงผ่าหูจักคมผ่าหูจักกินเขากินน้ำอาบน้ำเข้ากันใหญ่ขึ้นมาเรลือๆอันนี้คือพ่อแม่เป็นคนสอนที่แรกเป็นวบบพ่อแม่เป็นบุพภาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธีดาเอาคือพ่แม่บอก อันนี้นี่แหละคือเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็คือนาทีของบททีธธ่ดาของลูกหญิงลูกชายนะพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาเนะี่ยบางคนก็ามาบอากับหลวงพอนะ่อเอ้ยหลวงพอนะ่อว่านพ่อแม่สิโยกพ่อแม่เจ้าของ สูงเกินไปบ่กว่าพ่อแม่เป็นพระลหันผมฟังฟังมาแล้วมันยกสูงเกินไปมั่งมันบมแมนได้ข้าวคืดให้ดีแน่ลูกหลานว่ะคําว่ายกพ่อแม่เป็นพระลหันครา้าว่าพ่อแม่เป็นพระหันของบุททิดาก็ชัดเย็นอยู่ระเด้อว่ะโมแมนของพ่อแม่ของข้าเป็นพรหันกับทุกคนในโลกนี่เออพ่อแม่ของผมมาเแหละเป็นพระลหันกับทุกคนพวกท่านทาั้งหลายต้องเคารพโมแมนจังสั่นเด้ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาบุตรธิดาก็คือบุตรชายบุตรหญิงเข้าต้องเชิดชูบูชาพ่อแม่ของเขานี่คือกันกับพระหันจึงจะทุกเน่ยเพราะว่าอนันตรรยกรรมหามาตุขาดขาม่านดาปิตุขาดขาพ่อเนีมาตุขาดขาแมาาา่ปิตุขาดขาพ่ออัหันตะขาดขาพระรหันโลหิตตุบา ท, ทําลายพระพุทธเจ้าย่างพระโลหิตแห่หอสังกเพศหยุยยงสงให้แตกกัน เป็นบาปนักที่ซดในพุทธศาสนาพนันพัวเข้าฟังแล้วบอมาตุขาดปิตุขาดคือขาพ่อขาแม่คือกันกับขาพระรหันบาปขนาดนั่นแหละพนันผัวเข้าต้องเคารพเนอกับพ่อกับแม่ให้ปฏิบัติให้ถูกพ่อแม่เนีค่คือทิศเบื้องหน้ามารดาปิดาเข้าตรงเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาเลี้ยงท่านตอบน่ยมารดาปิดาทิศเบื้องหลังทิศทกุกตบานอธิบายทิศทุกทิศเบื้องหลังก็คือสามีภรรยาปฏิบัติให้ถูกเนอะ สิทธิ์ของภรรยาคืออย่างสิทธิ์สามีคืออย่างให้เคารพซึ่งกันและกันเนอะพวกท่านทั้งหลายจะมีความจะเลื่อนลุงเรื่องในครอบครัวการสามีภรรยาก้าวใกล้กันเน อ, อ, อบพเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะหละครอบครัวเน่ยแตกแยกสมัคคีกันเลยอย่าหวังความสุขจะเกิดขึ้นในครอบครัวให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันแนละกันเนอให้หูจักสิทธิ์เขา ห, หูจักสิทธิ์เท่าแม่บ้านมินาทีไอหยางดูแลบ้านเพื่อนพอบ้านคือหยังให้รถหูจักรับผิดชอบในภายนอก การงานที่มันแม่บ้านทําบ่ออะไรพอบ้านก็ต้องทําอันนี้ก็คือแห่งอุจจานณาที่ของเจ้าของทุกคนทิศเบื้องขวาคู่บาอาจารย์ผัวเข้าต้องมีคู่บาอาจารย์คู่บาอาจารย์คนแรกก็คือพ่อแม่ของเ ข, ง ข, งขงาบุกพ่าอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกนอกจากนั้นกับคู่สอนโรงเรียนในบ้านพ่อแม่เขบาบอเมสีสอนเลยทุกอย่างเป็นบุหรี่ข อ, อนกอไก่คอใคร ABC ีซีดีไม่คู่โรงเรียนสอน จะรอดถึงมโหอดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็สอนอีกอย่างหลวงปู่หลาสอน เ, อเด็กชายอินอย่างที่วานน่ะหลวงปู่หลากสอนอย่างสั้นละอันนี้ก็คือถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบือบาอาาเบ้องซ้ายมิตรสหายมิตรสหายก็คือมูเพื่ อ, อ, น, อนกันลยาณมิตรกั่ยาพระพ่อข้าพมีกัลยาณในามิตรที่ดีนี่จะหาความจะเลื่อนลุงเรื่องอะไรไนดะ้ในชีวิตนะั้นข้าพมีมูเพื่อนที่ดีกิจการงานยง ทามากฆ่าขายบ่มีมูมีเพื่อนเท่ายาวหวังเลยกิจการของหา้างานของเข้าจะเจลื่อนลุงเรื่องไปได้มีแต่ลมจมจิบหายกุดๆหัวๆไปแหละบ่มีมูที่ดีบ่มีเพื่อนที่ดีบ่มีกัลยาณมิตรเพราะนั้นกันลยาณมิตรที่ดีเนี่ยเขาก็ต้องปลูกฝังบอมเอนตีเอารัดเอาเปียบบอมเสิคดโกงเขาบอมเอนตีฮักนาฮักหลังอบอมเอนสิเอารัดเอาเปียบเขาตลอดเอมเอนตีเข้าอันศิษย์โกงเขาบอมเอนเข้าสิษ กินเขาจะตลอดกับมูกับเพื่อนโมแมนต์เลยต้องซื่อสัตย์สุจิตต้องมีซัจจะคือความจริงจังและจริงใจกับมูบเพื่อนะอันนี้แหละคือการครบค้าสมาคมกับมูกับเพื่อนอันนี้ก็คือทิศเบื้องสายคิดเบื้องต่าคือคนใส่คนงานของเข้าเข้าถ้าเป็นบริษัททางล้านหรือเป็นเถาแก่หรือเป็นขน้าราชการหรือเป็นหลวงพอ่ออย่างสิ่งที่กันกับพี่มูมีเพื่อนเป็นลูกน้องแต่ต้องดูแลลูกน้องให้ดีต่อไปเขาจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปไพ่ภาคนา เขาต้องคิดต้องดูให้ดีดูแลเขาก็ให้ดีเขาเจ็บไผได้ป่วยไดเขามีความทุกข์ความยากลําบากทั้งด้านคิดใจจังไดอันนี้ผู้ใหญ่เท่าเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกเป็นคู่บาอาจารย์เขาเขาต้องดูลูกน้องอันนี้ว่าดูทิศเบื้องต่ำเบ่าวทิศเบื้องบนสั ม, มณพราลสั ม, มณพราามก็คือนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยพวกลูกหลานเขามาเออลูกหลานเอ้ยอ ย, อย่าไปหาเหตุแนวมันบดีเหตุแต่แนวมันดีเนอะให้เคารพพอเคารพแมนเนอะเนี่ยเราจยังหลวงพ่อสอนหนึ่งสี่ะอันนี้แล้วว่า เออทิดเบื้องบนสมณพราหมณ์เมื่อเขามาหาสมณพราหมณ์หละสมณพราหมณ์คนแนะนําไปในท่างที่ถูกต้องในท่างที่เป็นถ้าในท่างที่จะเลื่อนรุ่งเรื่องนี่แหละคันว่าพวกเข้าปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้ง6กจังซีได้เมีแต่ความจเจริญไปเยลยจะมาย้อนถึงประคุณของพ่อของแม่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูห่อมาแล้วเพิดถึงเพลินจะบวา่าขาเลี้ยงซู้เจ้ามาแล้วขาจีพึ่งผ้าอาศัยซู้เจ้าละเมื่อเถาแก่สล า, าน ถึงเพิ่นจเจว่หรือเ้ า, วาวก็ตามแต่ในใจของเพิ่นเพิ่นก็คือเท่าก็นเทือนเลี้ยงลูกขึ้นมาเออต่อไปไพ่ภาคนาลูกชายของเข้าจะได้บวชในพระพุทธศาสนาเข้าจะได้บุญได้กุศลจากกับลูกชายของเข้าลูกสาวลูกใช่ต่อไปไพ่ภาคหนาได้คร่ำราชการหและทำมากค้าขายเข้าเป็นผู้เถ่าผู้แ ก, ก่ขึ้นมาเข้าก็จะได้พึ่งผ้าอาศัยลูกของเขานี่แหละในใจลึกๆเพิ่นก็จะพึ่งผ้าอาศัยจังสันเล อ, อทุกคนนะ แต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยหลวงพ่อได้ศึกษาได้อ่านนาศึกษาวนันเราไปทั้งเท่พ่อแม่เลี้ยงดูมาแล้วบ่หูจักบุญคุ้นของเพลินบ่แม่หูจักบุญคุ้นหอกมันเฉยวนันเราไปเฉยจนจนพ่อแม่ลําบากใจแก่ในข้างพระพุทธเจ้ามีภาพผู้นึ่งวนันเราไปภาพผู้นึ่งนี่ยแต่งงา น, นได้ลูกเก่าขนมิตรลูกไส้ล้วนเลี้ยงกันออกมาไปปีต่อปีปีต่อปีลักษณะอยงนั้นแหะ ได้ลูกเก่าคนไปต่อมาผู้ลูกชายกําลังเรื่มที่เป็นนมเน่ยแม่ก็เลยตายพ่อตายคิดว่าพ่อนี่ก็เลยเอแต่ ง, งานให้ลูกชายมันตั้งแต่คนหัวปีจนพอดคนชุดไทยเก่าคนมันไปแต่ว่าพอกับแม่นี่ยขยันเนี่กับพี่มรดกมาจากปู่ย่าตา ย, ยายน้ำผอมกระบอแมนรวยแต่กระบอกแมนจนแต่เพิ่นมีเงินอยู่สิล้านสิบล้านคือโกดหนึ่งสมัยก่อนน่ยสิล้านเป็นโกด สิบลอยเป็นพั0สิบพันเป็นหมืนม่นส10บ0 0 0่เป็นแสนสิบแ 0,000 นเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดเพอ่อมีเงินอยู่โกดหนึ่งคนบ้านเนี่มีเงินอยู่โกดนึงก็เลยพ่อลูกไส้แต่งงานบ้านเนี่ยมีครอบครั้วแล้วบานเนี่ยลูกชายก็เลยเสนอพ่อมาเอ้พ่อแม่ก็ตายแล้วพวกผมก็แต่งงานเมื่อแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแบ่งมดรดกที่พ่อมีอยู่เนี่ยให้พวกผมพวกผมจะได้ไปทำมากค้าขายเอาไปลงทุนพอจะว่าจังไหน พอโอ้ยก็ดีแหละลูกพอบ่าวาจังไหนหลยเห็นด้วยพอหามากกับเพื่อลูกนี่แหละคันลูกมีความผอมเพียงสมัครี่กันที่จะเอาไปลงทุนกับบ่าว่าเอาลูกตกลงกันด้วยสิเอาพลุะเทอร์ไรทางลูกไส้ข้นโตกุบอกว่าเอเสนอเอาเอาพลุระล้านพ่อนอกคนนั้นเออเอาเอาพลุระล้านกันให้พลุระล้านล้านล้านเก่าล้านได้เงินวันละวันให้พอไว้สักล้านนึงก่อนไปพอก็มีเงินอยู่ล้านนึงบาท พ่อไปถ้ามาค่าขายเนียังพวกเ ข, าากข้าท้ามาค่าขายนี่พ่อเขาไปมั่นมั่นไปหนไดการทา้ามาค่าขายมันบ่ะมันเงื่อนขาดเมือ่อไ่หมดันขาดทุนเงื่อนขาดเมือม่อไอก็ขันใดอีกสักแสนหนึ่งมั่นเติมเข้าอีกนี่คือจะไปแต่กไ ก, ก่คนนี้ว่าโอ้ยพอเลยพวกผมขออีกพูละแสนเท่านั้นมอ้าแสนกับแสนพอก็หายเอกคนไปพูละแสนพอมาไปทำอีกมันยังขาดเมื่อไงผาขออีกพอคนละเมื่อนอนเสร็จเลเออพอก็ห้อีกคนละเ ม, ม, มื่นอนอนไป พอไมาอีกไะทำมากอะรพออย่าท่านไดอีกพอเอาไวเหว่งเงินเมือนึงแล้วน่ะพวกผมเอาไดผุรพันกันย้อมาล่องลงขันกันเนี่ยทำมาค่าขายมันถือเจริญคือมาใดเดือนได้ผมกับจิเลียงพออย่างไรละเออเอาู้เจ้าจกได้เออก็เลยแบกเงินผุรพันอีกจังเหลือเงินกบพอนี่พหนึ่งบาทนี่พ่อต่อมาเนี่พ่อเงินยังเหลือพอพันหนึ่งมันมื่ออะไ้เงินบาทนีอพ่อมาก็อยู่กับลูกชายคนโตละบาทนี อยู่กับลูกชายคนผู้ใหญ่ลูกชายคนโตอปได้ลูกสะพ้ยกันแนะกันแหนและได้บาดเนี่ยมื่เงิ่นเมืแล้วเด้อลูกสะพ้ายแง่กันแนแ ะ, นแะ ก, ยยกันแห น, น, แนปูและบาดเนี้เวลาแบงเงินแบงมอดรดกแบงทอกันอบาดหามาอยู่อยู่แต่บา้านเท่าปูว่าเห็นบ้านไผเห็นแต่บา้านเท่าบ่ได้ไปบ้านผู้อื่นบาดหามอรดกนะแบงเงินแบงทอกันเมื่ะทั้งผู้ปูอย่างนี้เลยก็อ๋อ ลูกสะพายมันไล่กูวต้วนี่วสันเดกระเทือที่ดกับฟังอยู่ไปเพื่อที่สองกับวอาอีกแองหลัินจะแจ้งขึ้นมาอีกเทือสที่ออเซยบัวได้เขาไล่กูคักตัวนี้วนเเท่าว่าวันนั่ใไปไม่โยโยกูยๆๆนี้ไปนี้ไปยุบกับบ้านบักที่8ดทนไปพายุบักที่8ไอ้ลูกสะพยอีที่แปมันกับวอาอีกกว่าหนไปปูพันบจักบ้านไผ่หูจกักกับบ้านเฮ้าปะฮังเงินมันแบ่งทอกันโอ้บอัได้เขาไล่กูอีกแล้วลองไป บักที่เจ็ดตัวหน่งไปลูกสะไบที่เจ็ดที่หกที่หาที่สีที่สามไล่จนหอดบักที่หนึ่งคนทงไปบักลูกสุดไทยบักไสาลาว์คนไปปัดหอดไส้ไลไ อ, อ, อสะไบลูกไส้ลาเนี่ยมันก็เว้าคือเก่าอีกคนทังไปเพราะมันแบ่งว่าหลุดลคือกันหมดแลยพอในโซก็ะห่ยเป็นสี่กูหนีไปดีกว่าว่ะตายเอาดาบหนาวน่านเออกูอยู่ใสี่กูอยู่แบบทุกแบบยากตัวเนี้วท่านอยู่แบบย่ำยี่หัวใจกูตัวเนี้วท่าน พูดหนีไปดีกว่าพ่อวาวท่านั่นกันผู้เทาก็ได้งามใบหนึ่งกัหมอโล่ใบนึ่งมันบลาแล้วก็ได้ไม่เท่าอันนึงเลยกัเสือพาพ่อใส่ได้นี่ยญาติใจามเลยไปแล้วบ้านน้เมื่ออินเดียคูมือเนี่ยอินเดียคูมือยังขอท่านกินได้อยู่ด้เออไปหอดไปก็ขอท่านกินเลยหรือบ้านนี่ไปหอดบ้านโอ้ยขอท่านกินแนะ่พอแม่ปูปีนองเอ้ยขอกินแนะเขาก็เอาเอ า, เ อ, าอาหารมาให้คนขอท่าน อะไรเงขอท่านไปเลยกินไปเลยนอนไปเลยอาบหน้ําปับเท่าพอต้องว่าแล้ววันนึงไปเป็นคนขอท่านเลยเดยไปในโยไปโยไปก็เดินไปชัดเจพเน่จรไปเลยไปพบวัดป่าเชตตะวันเจริญบานทป่าป่าเชตตะวันพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระสงฆ์ไปเห็นวัดประตูวัดวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารเออพระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นเสื้อกษัตริย์กันเพิ่นคงจะมีเมตตาต่อสรัปสัตทั้งหลายอยู่กับมั่ง ภาพคิดว่าปะเข้าไปกับพระพุทธเจ้านะทางเธอพน้นอาจจะมีอี้ยังไห้พภาพได้ก็เลยเข้าไปเข้าไปพระพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยของภาพเลยเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่มีบุญอยููวันไปพระพุทธเจ้าก็เลยเอิ้นเข้าไปเรียกเข้าไปให้พระสงค์เรียกเข้าไ ป, ป, าไปพอไปหอดไปก็าถามว่าพรามไปจังไหนมาจังไหนภาพพอนี่ก็เลยบอกว่าโอ้ขาพระองค์นิตรกรกับเป็นคนมีอันจะกินมีเงินหยกโกดหนึ่งกับแหวงใไฮลูกเก่าคน คนกบ็บอให้ฟังแหะพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็ฟังเอาภาพาหมห่เา้าใจให้ค่าถาเ้าสให้เก่าฉุน ท, ท่อนลอสีเลี่ยนบอโอ้ยพระพุทธเจ้าให้เลี่ยนยังขาพระองค์กันเลี่ยนม่ดนะเอามัดมาสันเออเอาตั้งใจพระพุทธเจ้าก็เลยสอนพอนไปสอนก่าสอนขำสุน ท, ท่อนลพดเป็นทุภาพาิทกินใจพอนไปเป็นขำสุนทพจน์ที่กินใจ สอนให้พรามพรมก่อนนะพอสอนนะ่ยจำได้มดแล้วบ่ได้แล้วครับขั้นได้แล้วกลับไปเนาะครับไปหาชุ่มชนบ้านของพรามนั่นแหะเอินพี่นองมาลูกทั้งลูกทั้งล้านมาลูกสะพายลูกชายมามดให้พรอมหนากันแล้วก็ขืนสาราเนะ่ยสาราไปชาคมสาราในมูบานนะี่ยขืนไปขืนหอดานแลยกัเออมาเนาะลูกล้านพี่นองนะเอนาะโบตา อ อ, ออกจากบ้านไปบเดเอซังไล่ล่าลูกหลานพี่น้องชกขูทุกคนมาบ้านนี่มาซัางมาล่าละบ้ า, บานนี่สิดงไปอีกให้ลูกหลานมาฟังนะที่มีการขํรามซังขําล่าให้บอกจังสี่เนาะครับพ่อมก็เลยกลาวพระพุทธเจ้าออกมาจากวัดปลายเฉดตะวันแหละดิงไปหาหมู่บ้านเจ้าของของเรานะไปห้องกับประกาศยังที่ว่านี่ยยังที่พระพุทธเจ้าบอกให้ประกาศพวกคนทางอะไรกันลั่งมาแล้วบา้านนี่โอ้พ่อมหนีไปจากบ้านเป็นหลายปี สงสัยจะมีคำสั่งอีอย่างมา่คงจะฝังเงินฝังทองไว้หรือจะเป็นหนี้เป็นศิลป์ไว้ให้ปิดลูกหลานตามหนีตามศิลกับมา่งนี่เอ อ, อันนี้ก็คนทนายก็ลังมากพ่อลังมากเขาไม่ยืนเอไม่ยืนอยู่กางฟอดเลยบ้านนี้พ่อไม่ยืนอยู่กลางฟ อ, อ, อ, งฟอเอาฟัง่งมัทนายคนทนายก็ฟัง่งจอลลอ ย, ย่างพวกเข้าฟั่งลงพ่อเบานี่ยแล้ว อ, อพอฟังพ่าพ่อไม่ยืนเกินมากก็ถือไม้เท้าลงไป กับผ้ายามขาดใบนึงใช่ไหมกัมีหมอโรคแขนแอววเอาเชืกเไปกัมีไม่เท่าผ้ามกเกาวกาวที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนผ้าไหมเลยแหม่ผ้า ม, าม ก, กาวตามที่ข้ามพระพุทธเจ้าสอนให้คนบอกว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายขุนไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ากายย่างย่องจ้องจดจุน จะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ ร, ร้ายจะวายวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยอันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนให้้ามกาวสุนทรอภรณ์ไปต่ อ, น, ตอ น, านาลูกต่อนานาสภัยต่อนาญาตพี่น้องทุกคนที่มานั่งเลี้ยงสาวราบอยู่ในสาราลังนกันไปเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมาย คุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ากายยั่งย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบผ่านสัตว์ ร, ร้ายจะวายวุ่นเอาไม้เท้าปั ด, ปดวัดเอียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยคือพามกา ว, ว่าลูกทางเก่าข้นนี่ที่พ่อเลี้ยงมากหรือความยากลำบากก็จะเป็นลูกใหญ่ขึ้นมากขนาดนี้พ่อพึงหวังหวังพึงลูกนะแต่ว่า พ่อเนี่ยพิกบ่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบเราสูไม่เท่าพอบ่ได้ลูกตั้งเก้าคนสูไม่เท่าพอบ่ได้ไม่เท่าของพ่อเนี่ยจะเดินไปใส่หมาเช่มากัดย่างวัดเวียงไปหมา ก, ก็ยังหยาิง่วงควายเชื่มาดส้นกันยกไม่เท่าขึ้นไรง่วงควายก็ย่งหยาดเวลาจีหวกลมไม่เข้าคํยายันไหวก็นย่งเจ้าของบ่ลม แสดงว่าลูกเก่าคนของพ่อเนี่ยเลี้ยงเขามาแล้วบอมีประโยชน์ท่อไม่เท่าของพอ่อนะความหมายนะฮอพวกลูกทั้งหลายทั้งเก่าคนโอ้แมนอีลีเฮ้าก็บอมเป็นประมาทพอหรอกแต่ว่าขาดความเอาใจใส่มีแต่มั่วในการทมามหาเลี้ยงชีพมั่วทามาขค้าขายจนขาดการดูแลพอ่อเอาตั้งแต่บัดนี้ต่อไปพวกเข้าทุกคนนี่ยพร้อมกันนะบัดนี้นะ ก็เลยผีชา่ายไงกันเลยอบร่มพวกน้องๆน้องก็เลยให้ความพร้อมเพียงสมัครขี้กันก็เลยดูแลพ่อย่างได้ตั้งแต่บัดนั่นเป็นต้นมาเ น, นี่นี่แหละอันนี้พวกเขาคิดบังทูพระพุทธเจ้าเพิรนสอนเนี่เลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายใอันนี่แหละให้พวกเข้าไปคิดเบังหลวงพวกเขามีพ่อมีแม่อยู่กับไอ้เบิงเบิงเนอะลูกหลานทุกข์ทุกทุกคนเนะพ่อแม่เลี้ยงเข้ามาเนี่เพื่อเออในใจลึกๆ บว่าเพลนบว่าเหานะ่ะเห่าก็จะต้องพึ่งผ้าอาศัยลูกเมื่อเถ่าแก่ชะล่านะแล้วมีนิท่านอีกเรื่องหนึ่งในเหล็มนั่นอนะ่ะลงพ่อเฝ้าเรื่องเอออีกเรื่องหนึ่งอีกก่ะพ่อแม่เนี่ยแต่งงานกันปูยาได้มีลูกสาวลูกชายก็เลยแต่งงานตระกูลเสมอกันพ่อตอมาแต่งงานได้ลูกชายพูดนึงมาเนี่พอาะโรคไส้พูดนึงอ่ะแม่กระต่ายพ่อแม่กระตายลูกไส้เนี่ก็ะยัยขึ้นมาละเป็นนมพ่อก็เลยเออ แต่งานให้ลูกไส้พ่อแต่งานให้ลูกไส้บา้านในลูกไส้ก็ได้ลูกอีกผู้นึงบ้านนี่พ่อต่อมาเนี่ พ, นพ่อเนี่เป็นอมภพบ้านเนี่เป็นอมภพอมภาดนอนสลบนอนสลบทลายอยู่ในบา้านโอ้เป็นภ้าระยาา อ, าไไอย่างมากวีจิไปไสจังจริก็มีอายุเฝ้ า, าขั้นเมียออกจากบา้านผู้ผัวนี่ก็เฝ้าพ่อต่อมาลูกก็ใหญ่ขึ้นมากบานนี่ก็ให้ลูกเฝ้าพ่อแม่ก็ไปทําการทํา ง, งานแต่ถึงอย่างไรก็พ่อแม่ตกลับมากก็ต้องล่าง ต้องเช็ดต้องชักผ่าซักผ้าให้พอพอพอเป็นเอามาพึกงอามาผาดเด็กนักไปเลยจนปากบ้อออกมาเนี่ยมิตปรลปลาลําปลาเลือกปลาล้ำปลาเลือกข้าเปทางลูกชายเนี่ยเออเขามันเป็นเฮาจังเฮาเนี่ยตายสิดีกว่าวะก็เป็นยังสี่คนตอนนี้ตายก็พอตายหายก็ให้มันใส่กำคักๆอีพอเนี่ยว่าไงเมื่อหนึ่งก็เลยลูกชายกับยายขึ้นมาได้ป่ะสิบหกสิบเจ็ดกับร่างจิเป็นหนุ่มเลยก็เลยสั่งลูกชายเอ้ยลูกวันนี้จะไปไหนนะ เดี๋ยวพ่อมีธุระในคืนนี้วันนี้แอบสั่งลูกไส้ลูกไส้กับขับขับพ่อนะ่แต่ว่าภูพอนี่เสียมการไปเลยเด้สารกตาไวา้ใบบักไงใบนึ่งหมดไปสารกตาไว้ใบบักไงใบหนึ่งว ไ, ไว้ไวแล้วนะมยพ่อึกษีหาทุ่มบันนี้กัเออร์ลูกไส้มาแล้วนันเอาลูกมานนี้ลูกไส้กับพอสั่งได้ไรก็เฮ็ดจังสันแล้วพอสั่งได้เป็นวละทางผูพอนก็จับขี่ตะแล่ข้างขี่ตะแล่ปูคนนไปเอาจับขาท่านบอกให้ลูกไส้จับขา มาหาจับขาเดียวยกเซตากระบ่านี่ยกเซตกะตาใหญ่คนไปยกเซตกะตาใหญ่เลยเอาไม้ขั้นไม้ไพเน่ยสอดกับมีหูเฉลยห้ามมันจระบัตรเนี้ยผู้พอกับยางก้อนคนไปลูกไส้กับหามน้ำหลังคนยางทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งทิงหนึงงง่งพุ่นแล้วออกนอกบ้านคนไปปาา้าซาผุนบัตรนี้พ่อไปหอดป้าซาเลยกับเซตเรียบร้อยอลไรกวงงัว่างลง่องมันว่างล่งพอก็อธิบายให้ฟังนี่นะโรกปูนี่นะ ตายเขไม่ตายหายก็ไม่หายถ้าเป็นอย่างพ่อเนี่ยตายดีกว่าเพราะฉะนั้นพ่อจึงให้ลูกช่วยกันหา ม, มาเนี่ยพ่อคิดว่าฝังเลยฝังปู่เลยวันนี้ให้จบจบไปเลยเอท่านก็จะหมดกรรมเราก็จะหมดกรรมของเราเหมือนกันเป็นวัเนเพื่ออธิบายให้ลูกเพิ่นทางลูกเฮ็ดทะเละเบิงหนาพ่อชว่าละลูกก็เลยถามว่าพ่อพ่อจะฝังทั้งตะ ก, ก้าหรือหรือจะเอาไว้ยังไงอา้าว จะเก็บไปทําไมตะการฝังทั้งหมดเนี่แหละเอา้าถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้าพ่อเป็นอํามาพึกอามภ พ, พาดผมจะได้ชวนลูกของผมไม่ต้องสารตะก้ายากจะเอาพ่อมามาฝังเหมือนกระปุกเนี่ยผมไม่ต้องสารตะก้ายากพ่อผมขอตะก้าใบนี้ไวเ้เถอะทั้งผู้พรวยืนขิงหนึ่งปัก ป, ป, ป, ป, ป, ปัปักกลับกลับกั บ, กบหามกลับหามกลับพนเอาทําไมทําไมพ่อจึงหามกลับไม่ได้ เดี๋ยวกรำตามสนองพนพัวเด้เออเปนญปัญญาตายเพราะเพื่อนที่ ว, วัไปเออเดี๋ยวกำตามสนองพนพัวเออเพราะนั้นพวกเข้าทุกขู่ทุกคนนะลูกหลานเนะขันเหตบอดีไปกำตามสนองแท้ๆเด้เออเพราะนั้นเหตในสิ่งที่มันดีขันเจ้าของเหตบอดีไปมันบมนไปใส่อะหลวงพ่อเคยเห็นนะเออลูกชายพ่อสึงสังเนววินไปอเออามาเตะพอลงบ้านตกเกลื่อนวันไปจะไหมหลวงพ่อเป็นเด็กน่อย คนเขาบอกทั่วบ้านทั่วเมืองน้อยไปพ่อต่อมา่าบานนี่พ่อก็ตายป่วยเฒ่าตายธรรมดาเนี่ยละวะพ่อต่อมา่าพ่อจะแก่ได้ลูกอีกมากลูกก็แตะตาแกอีกตโตขึ้นอีคือกันวันหไปนี่แหละมันโมนีไปใส่เด้กำลอกโกงเกวียนเพะนั้นขอให้พวกลูกพวกหลานคณะสัตยาธิญญโอมทุกูทุกคนเนี่ลูกหลานเนี่เป็นคนดีสรุปแล้วกรำชั่วอย่าทำเฉยเลยดีกว่าเพราะกรำชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังแอบกำมันโมไปใสดอก กคำมุนีนาวัตติโลกโก้ซัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ถ้าเฮาทํ า, ากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองถ้าเฮาทํำกรรมดีไว้กรรมดีจะตามสนองนะมณีหลวงพ่อนั่นๆลูกหลานได้มาพบมาเจอหลวงพ่อมาเคยเบอกย่าปนญีได้ข้าวนี้หลวงพ่อเลี้ยงลารับตั้งแต่หลวงพ่อเป็นเด็กหน่อยเออหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่หลาเพิ่นสอนจังใดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไหวาพระสวดมนต์วิธีการภาวนาเดินจงกรม ลูกหลานจะนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์กับลูกกับหลานหลวงพ่อมิจตสอนหายจะซื้อประสิทธิ์ประสาทอันนี้แหะคือกรรมฐ า, านสายลงปูมงหมันของเฮ้าเป็นสอนยังษี่พะนริขอให้ลูกหลานทุกขูทุกคนเนอไปพิปรพิปฏิบัติตนให้เป็นคนดีแล้วก็พ่อเหมือกันกะให้เขาพ่อแม่อย่างที่หลวงพอว่อบอาให้ฟังเนี่แหละชาวบ้านพวกเข้าปฏิบัติต่อพอ่อต่อแม่ดีแล้วมิแต่ความเจริญหลงเรื่องออการกาว พูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพัศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้ลูกหลานทุกข์ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิด